ทำวัดเย็นพึ่งเสร็จไปเมื่อสักครู่นะบทที่เราสวดหลายคนเนะี่ยคุ้นเคยนะเริ่มตัวกุศลารถปานี่เราก็หลายคนก็นึกไปถึงงานศพทันทนะีที่จริงบทสวดที่เราสาธิยมเมื่อสักครู่เนะี่ยก็คือการสวดอภิธรรมเจ็ดคัมภี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 แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของการอวยชัยให้พรคนส่วนใหญ่ก็อยากจะฟังนะคำสวดหรือว่าคำอวยพรยที่พระสวดให้เราฟังการที่จะนิ ม, มนต์ให้พระหรือปรดโกายพระได้มาสวดธรรมะขั้นสูงซึ่งเข้าใจยากเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยมีโอกาสหรอก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 หลวงพ่อเขียนตอนที่ก่อนท่ทานจะมรณภาพเนี่ยท่านก็สั่งเอาไว้นะว่าไอการสวดพิธารรมเนี่ยในงานศพของท่านเนี่ยก็ขอให้แปลด้วยนะจะได้เข้าใจความหมายแล้วถ้าเราเข้าใจความหมายแล้วเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติในการดาเนินชีวิตแต่ถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยจะเข้าใจความหมายใน ของพระพิธรรมได้นี่ก็ต้องมีพื้นฐานนะพื้นฐานทั้งในแง่ปริยัติและปฏิบัติด้วยไม่งั้นก็ไม่เข้าใจก็ถ้าจะเข้าใจก็เข้าใจในลักษณะของการาโยงไปถึงงานศพแต่ถ้าว่าจะโยงหรือให้นึกถึงงานศพแต่ถ้านึกดีๆก็มีประโยชน์นะ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 ชวนให้คุณตายไปด้วยยิ่งอรหังสัมมานี่เป็นคาที่มีความหมายดีนะเป็นคุณนามของพระพุทธเจ้านะอระหังสัมมาสัมพุทโธแต่ถ้าพูดขึ้นมาแล้วก็น่าจะน่าจะเป็นสริมงคลสวดพุทธมนต์นะที่ไหนโอกาสได้ก็ต้องเริ่มนะอระหังสัมมาแต่ที่โยมแม่ของท่านเนี่ยพูดอย่างนั้นก็เพราะว่า ประเพณีชาวบ้านในี่เวลาคนใกล้าตายเนี่ยก็มักจะมีการ น, นิยมนำทางคนใกล้าตายด้วยการบอกอารหังนะบอกอารหังที่บอกอารหังนี่ก็เพราะว่าให้คนใกล้าตายเนี่ยเราลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตจะได้เป็นกุศลไงเพราะว่าถ้าเกิดมีศรัทธาเป็นพื้นฐานพอรลึกถึง พระพุทธรรมะสงค์ก็จะได้มีจิตใจที่ปิติปราโมทไม่กลัวตายแต่ว่าชาวบ้านจนโนนมากไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าเวลาพูดถึงอารหังเนี่ยก็จะนึกถึงงานศพนึกถึงคนใกล้าตายขึ้นมาซึ่งก็มันก็มีความเชื่อมโยงกันเพราะว่าที่เด็กชายปานเนี่ยนะ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 เด็กเนี่ยก็ไม่รู้ความหมายส่วนโยมแม่ก็ไม่รู้ความหมายเหมือนกันนะถึงด่าว่าเนี่ยพูดไอ้คำที่ไม่เป็นสลิมมงคลถ้า ร, ารู้ความหมายาจะรู้อ่าหลังสัมมาเนี่ยมันเป็นคำที่เป็นสุดยอดของมุงคนเลยเพราะแปลว่านะผู้กลาจากกิเลสเนะตัดสรุวชอบได้โดยพระองค์เองหรือโดยตนเองตอนหลังเนี่ยนะเมื่อเด็กชายปานโตขึ้นแล้วบวชพระ นะรู้ความหมายก็เลยมาบอกอธิบายให้โยมแม่ฟังโยมแม่ก็เลยเข้าใจอ๋อมันเป็นคำดีนะอระหังเนี่ยไม่ใช่ว่ า, าเป็นคำที่เหมือนเหมือนกับเป็นลางนะให้นึกถึงคนตายกลายเป็นการแช่งเนี่ยในทอนโดยกันนะกุศลาธรรมาเนี่ยนะคนทั่วไปเนี่ยพอได้ยินก็นึกถึงความตายหรือถึงถ ง, งานศพนะ จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถ้าจะนึกก็ดีเหมือนกันนะถ้าหากว่านึกแล้วเนี่ยทำให้เกิดความไม่ประมาทไม่ประมาทว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายนะคนเราเนี่ยนะถ้าไม่ถึ ง, ถงความตายไว้บ้างเนี่ยมันก็ประมาทเหตุการณ์อะไรก็ตามนะถ้าหากว่าทำให้เราลราถึงความตายทำให้เรารึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตเนี่ย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 เรื่องคุ้มค่าเรื่องสองปีที่แล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษนะจอห์นโรเจอร์เนี่ยเป็นชายอายุหกสิบกำลังเดินจูงหมาอยู่หน้าบ้านเดินออกจากบ้านไม่ทันไลเลยนะก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุสักสามสิบเศษมาชนข้างหลังจนแกล้มลงไปทีแรกแกนึกว่าเพื่อนล้อ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 ซึ่งก็มันก็ดีนะแต่ว่ามันไม่ดีเท่ากับว่าใช้เหตุการณ์นี้ไปเป็นเครื่องเตือนใจว่าอะไราๆก็ไม่แน่นอนนะคิดเราเนี่ยนะมันไม่เที่ยงจะ ต, ตายวันนี้วันพรุ่งก็ได้ทั้งนั้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการมองบวกนะมองบวกเนี่ยหมายความว่าเป็นการรู้จักหาประโยชน์จากเหตุการณ์รายๆที่เกิดขึ้นเห็นข้อดีของมัน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 อันนี้เรียกว่าอาขาดทุนนะคนเราเนี่ยต้องรู้จักนะเปลี่ยนร่างให้กลายเป็นดีเอาเหตุการณ์ร้ายๆนี่มาเป็นเครื่องเตือนใจคราวนี้ที่แกพูดว่าเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเตือนให้แกรู้ว่าอะไรๆก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยทําวันนี้ให้ดีที่สุดหรือทําสิ่งที่ดีที่สุดตั้งแต่วันนี้ คำว่าทำสิ่งที่สุดสิ่งที่ดีสุดตั้งแต่วันนี้นะมัน ค, คล้ายๆกับที่เราคุ้นเคยคงับทำวันนี้ให้ดีที่สุดแต่ตา ม, มาคิดว่าประโยคแรกเนี่ยให้ความหมายชัดเจนกว่าทำสิ่งที่ดีที่สุดตั้งแต่วันนี้นะก็คือว่าสิ่งดีอะไรที่ควรทำเนี่ยอย่าอย่าผัดผ่ น, นรีบทำเสียแต่วันนี้ส่วนคำว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดเนี่ยบางทีความหมายมันเบลอๆนะ คนหลายคนก็พูดนะจนติดปากแต่ว่าไม่รู้ว่าหมายความว่าอย่างไรทําแค่ไหนเนี่ยมันหนึงจะเรียกว่าดีที่สุดนะทําวันนี้ดีที่สุดเนะี่ยทําแค่ไหนแต่ถ้าเราพูดว่าทําสิ่งที่สวยแต่วันนี้เนี่ยนะความหมายมันชัดเจนว่าอย่าผัดผ่อนอะไรที่ดีอะไรที่ควรทําก็รีบทํำซะนะอย่างที่สองวันก่อนก็ได้พูดว่าเนี่ย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 มีพระอรหันต์ที่แท้จริงเนี่ยอยู่ที่เมืองสาวัตถีภัยยะก็ได้สติขึ้นมานะก็เลย เ, เดินทางนาแน่วแน่ตรงไปหาผู้เจ้าเลียทางนี่รอยโยศ น, นะแต่ว่าเดินไม่หยุดเลยเกิดเรียกว่าเกิดศรัทธาเพราะว่ามีพื้นมีพื้ น, ม, นมีพื้นหลังในเรื่องของการเป็นผู้ใฝ่ธรรมนะถึงแม้จะ ไปผิดทางชั่วคราวนะแต่ว่าก็ได้สติจากคำเตือนของเพื่อนก็เดินทั้งวันทั้งคืนนะเดินทางไปถึงสาวัตถีตอนเช้านะไปเชตวันก็ได้ทราบว่าพระุทธเจ้าเนี่ยเสด็จออกบินธบาตก็เลยตามเข้าไปในเมืองสาวัตถีก็เห็นพระุทธเจ้านี่ยกำลังบินธบาตอยู่ภัยญานี่ดีใจมากนะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทันที แล้วก็ขอให้พระองค์แสดงธรรมพระเจ้าเนี่ยเห็นว่าภาริานี่เดินทางมันเหนื่อยแล้วก็มีมีไฟอยากจะรู้ธรรมมากเนี่ยทั้งสองประการเนี่ยมันเป็นอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถจะเข้าใจธรรมะได้คนเราเหนื่อยเหนือยเนี่ยนะจะเรียนรู้อะไรก็ลําบากนะแถมมีความอยากรู้มากเกิดไฟแรงก้าเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคนะพอใจนี่ไม่สมดุล ผู้เจ้ากรเลยปฏิเสธว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาภรยยะก็ไม่ยอมนะแล้วก็ขอทูลขอเป็นขั้นที่สองแล้วก็ให้ให้ผลว่าไม่ทราบว่าจะตายเมื่อไหร่แล้วก็ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าพระพุทโ์ ก, ก็อาจจะมีกานเป็นไปในวันนี้วันพรุ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยขอขอฟังธรรมะเดี๋ยวนี้เลยนะผู้เจ้าปฏิเสธเป็นขั้นที่สามนะภัยยะก็ยังยืนยันนะ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 ถ้าหากว่าท่านภัยยะเนี่ยไม่ไม่รบเลาเนียขอฟังธรรมจากผู้เจ้าเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยก็ อ, อาจจะไม่มีโอกาสอีกเลยนะเพราะว่าตายซะก่อนนะที่ท่านพูดไว้เนี่ยเหมือนกับว่าเออจะว่าหนึ่งจะในแง่หนึ่งก็เป็นการความเป็นการแสดงความไม่ประมาทกับชีวิตแล้วก็เหมือนกับว่าจะรู้ชะตากรรมล่วงหน้านะถึงบอกว่าเนี่ยขอฟังธรรมเดี๋ยวนี้เลยนะเพราะถ้าเพราะไม่รู้ว่า วันนี้วันพุ่งจะตายหรือเปล่าหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยจะปรินิพพานหรือเปล่าถาาว่าท่านภัยยผัดผ่อนนะก็อาจจะไม่บรรลุธรรมเลยก็ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เชื่อว่าประการที่หนึ่งความตายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไม่มีเวละเวลาบางทีก็สามารถจะเกิดขึ้นแบบรวดเร็วมากประการที่สองนะอ่า สิ่งดีๆเนี่ยนะของดีอย่าผัดผ่อนถ้ามีโอกาสก็รีบทำทันทีแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยนะไม่ค่อยได้ตระหนักเรื่องนี้เท่าไหร่นะมักจะคิดว่าตัวเองเนี่ยยังจะอยู่ได้อีกนานนะมันเป็นธรรมชาติคนเรานะแม่แต่แก่อายุเจดสิบเนี่ยก็ยังคิดว่าตัวเองเนี่ยจะยังไม่ตายง่ายๆนะอย่างที่พูดไว้เมื่อวานเนี่ยนะลูกนะชวนแม่เนี่ยอายุแปดสิบกว่าแล้ว ให้เข้าวัดฟังธรรมจะได้พร้อมเผชิญความตายแม่ก็บอกว่าโอ๊ยวันหลังก็แล้วกันนะพ่อแม่ยังอยู่ได้อีกนานทันที่ก่อนหน้า น, นั้นเนี่ยเวลาลูกเนี่ยนะจะควบคุมอาหารแม่ให้แม่กินข้าวเหนียวทุเรียนแม่นี่โอ๊ยวิงวอนร้องขอให้แม่ได้กินเถิดนะอ้างเหตุผลว่าอีกไม่นานแม่ก็ตายแล้วน เวลาจะกินของดีๆนี่ก็อ้างว่าไก่ตายแล้วแต่เวลาจะชวนเข้าวัดนี่กับมีข้ออ้างว่าโอ้ยังอยู่ได้อีกนานอันนี้เราประมาทนะขณะอายุแปดสิกว่านะยังคิดว่าตัวเองจะอยู่ได้อีกนานนับประสากับคนที่ยังหนุ่มยังแน่นแล้วเพราะความประมาทนี่ยมันทําให้คนเนี่ยตายกันนักต่อนักแล้วนะคนเราเนี่ยก็รู้นะว่าทุกว่าเราต้องตายแล้วก็รู้ ว่าความตายเนี่ยเกิดขึ้นในตลอดเวลาแต่ก็มักจะหาข้ออ้างมีพยาบาลคนหนึงเล่าว่ากลับไปเยี่ยมบ้านนะบ้านนี้ก็อยู่ต่างจังหวัดช่วงสงกรานต์ก็เห็นน้องชายเนี่ยนะก็อยู่อยู่กัคกบคุยกับน้องชายอยู่พักใหญ่ประมาณวันสองวันแล้วก็มีตอนเช้าน้องชายเนี่ยจะขี่จั ก, กรยานมอตเตอร์ไซค์เข้าไปในหมู่บ้าน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 ก็แหกโค้งชนเสาไฟฟ้าตายพี่สาวเสียใจมากช็อกเลยนะเพราะว่าพึ่งคุยกับลูกพึ่งคุยกับน้องสาวน้องชายหยกๆยกนะว่าให้ใส่หมวกกันน็อกนคนเราเนี่ยนะบ่อยครั้งเนี่ยนะมันประมาทและเหตุผลที่ประมาทก็คิดว่าเพราะหนุ่มเพราะเป็นหนุ่มเป็นสาวเพราะมีสุขภาพดีแต่ความตายมันมา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 มีคนประมาณแสนห้าหมืนคนนะวันนี้คือวันสุดท้ายของเขาทั่วโลกนะคนจากวันนี้ไปก็ชาดหน้าเลยแล้วเราก็ไม่มีทางรู้ว่าเราเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นเวลาค่ําแล้วนะแต่ถ้ามันยังไม่ข้ามวันเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะมีอันเป็นไปหรือตายได้ทั้งนั้นดั้ความความไม่ประมาทกับชีวิตเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่จะต้องมีอยู่ประจําใจตลอดเวลาแม้ในยามที่เรา มีความสุขมีสุขภาพดีมีคำสอนนะของผู้เจ้านะชื่อว่าอนาคตภัยพผู้เจ้าสอนเรื่องอนาคตภัยใน5ประการผู้เจ้าสอนพระนะแต่ที่จริงเอามาใช้กับญาติโยมได้ผู้เจ้าบอกว่าเนี่ยในยานที่เป็นหนุ่มนะมีกำลังวังชาก็ขอให้เราลึกว่าสักวันหนึ่งเราก็อาจจะ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 เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยให้รีบทำซะข้อสามเนี่ยค่ะที่เรายังมีอาหารนะมีอาหารกินนะไม่ขาดแคลนก็ให้เราลึกว่าวันหน้าเนี่ยนะอาจจะเข้าข้าปลาอาหารจะหายหายลำบากถึงตอนนั้นเนี่ยการปฏิบัติธรรมก็จะเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบทำเสรยแต่วันนี้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 ขอให้สังเกตนะว่าเป็นการมองถึงอนาคตว่าอะไรๆก็ไม่แน่ผู้เจ้านี่ไม่ได้บอกว่าห้ามมองหรือห้ามได้ถึงอนาคตนะไม่มีบทสวดบทหนึ่งนะที่เราได้สวดกันเมื่อสองสามวัก่อนเนะี่ยบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ลงไปแล้วโดวยอะไรและไม่พึงพหวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอันนี้ไม่ได้ไมาครับว่าไม่ควรคิดถึงอดีตนะ ควรคิดได้แต่ถ้าคิดให้เป็นนะก็คือไม่ได้คิดด้วยความหลงจนทําให้เกิดความอาลัยอาวรแต่คิดเพื่อหาบทเรียนนะอย่างจอโรเจอร์เนี่ยแกนึกถึงอดีตที่เพิ่งผ่านไปแล้วแกก็นึกว่าเออมันมาสอนเรา ว, ว่าอะไรก็ไม่เที่ยงนะไอ้ น, นี้เรียกว่าดีแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าห้ามคิดถึงอนาคตนะแต่ว่าอย่าคิดด้วยความหลงคือคิดไม่เป็นนะนะนึกถึงอนาคตด้วยความพะวงด้วยความห่วงกังวล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 นะอันนี้ต้องเข้าใจนะว่าการคิดถึงอนาคตเนี่ยคิดได้นะไม่ใช่ว่าสอเรื่องการอยู่กับปัจจุบันและห้ามคิดถึงอนาคตนะคิดถึงอนาคตเพื่อเตือนใจให้ไม่ประมาทจะได้ทำสิ่งดีที่สุดตั้งแต่วันนี้นะก็คือคิดเพื่อให้ความสาคัญกับการอยู่กับปัจจุบันหรือทำปัจจุบันให้ดีที่สุดมันต้องมา มันต้องโยงมาถึงปัจจุบันนะถ้าเราจะคิดถึงอดีตก็ตามคิดถึงอนาคตจุดมุ่งหมายเพื่อทําให้ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดหรือว่าทําสิ่งที่ดีสุดในปัจจุบันหรือทำํำใช้แต่วันนี้ไม่ผัดผ่อนนะไม่ประมาทว่าเรายังหนุ่มยังสาวไม่ประมาทว่าเรายังไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ประมาทว่าเรายังมีอาหารการกินอยู่สมบูรณ์ไม่ประมาทว่าบ้านเมืองปกติสุขไม่ประมาทว่า หมู่สงนี่ชุมชนสงอยู่กันอย่างเรียบร้อยเพราะอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเนะพราะฉะนั้นเนี่เร า, าฟังไว้แล้วนี่ก็นะลองกลับมาใครควรกับช่วยของเรานะเพื่อตระหนักถึงความไม่เที่ยงของชีวิตคำนิ้วเกั่เท่านน้นะครับ